บนหออาดา์และมิมบัตและชื่ออันประเสริฐของท่านเป็นที่กล่าวขวัญแก่ทุกๆคนคงอยู่ตลอดไปชั่วนินรันด์ด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอแท้จริงเราได้ประทานแม่นม้ำอัลเกาซั แต่แนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชื่อสัตว์ปลีแท้จริงสัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาด